าการตั้งใจให้ดีนั่งสมาธิภาวนาบุคคลจะพ้นจากทุกไปได้ก็เพราะมานั่งสมาธิภาวนานี่แหละถ้าไม่นั่งสมาธิภาวนาแล้วพ้นทุก์ไปไม่ได้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมา พระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาตัดสรุในโลกนี้ก็ทรงสอนให้คนนั่งสมาธิภาวนานี้เองเพราะอิริยาบทนี้นะมันเป็นอิริยะบทที่สงบระงับแล้วก็องค์อา้าหารไม่ สะดุ้งต่อภยัยใดๆแสดงอาการเรียกว่าไม่สะดุ้งต่อเรื่องราวต่างๆหรือว่าอีกกนหนึ่งก็เรียกว่าไม่นีสระทุกสิ่งทุกอย่างอริยบทนินั่งสมาธินี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้เข้าใจความหมาย ดังนั้นเมื่อเรานั่งสมาธิแล้ว เ, ออเราต้องทำใจให้กล้าหารกล้าเผชิญกับอุปสรรคของชีวิตนี่ต่างๆ เ, เป็นต้นว่าเจ็บปวดหรืออึดอัดขัดข้องอะไรในร่างกายนี่ก็ไม่ ไม่ท้อใจอไม่เหลือวิสัยจริงๆอดทนกำหนดใจให้แน่วแน่แล้วก็เพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกทำใจให้ตั้งด้วยดีเมื่อใจตั้งแล้วก็นึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เราเป็นที่พึ่งที่ระลึกของตนเช่นเรานึกพุทธโธธรมโมสังโฆอย่างนี้นะนึกไปพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรมโมสังโฆสักสามจบมต่อจากนั้นก็มานึกพุทธโธอย่างเดียว หายใจเข้าก็นึกพุทธหายใจออกก็นึกโทเรีว่าคุณพระพุทธเจ้าอยู่กับลมหายใจเข้าออกนี่เราไม่คิดในเรื่องอื่นเราคิดเอาคุณพระพุทธเจ้าเนี่ยมาเป็นที่ระลึกที่พึ่งในใจของตนให้ กำหนดในใจอย่างนั้นเมื่อเราได้คุณพระนี่เป็นเครื่องอยู่ในใจแล้วก็ทำให้หายกังวลต่างๆไปได้จิตที่มันเคยกังวลเรื่องอะไรต่ออะไรมาแต่ก่อนมันก็ค่อยเบาไปเพราะว่าพระคุณของพระพุทธเจ้านี่ เป็นของประเสริฐจริงๆเนื่องจากว่าพระองค์ได้สร้างพระบา ร, รมีมาในสงสารนี่นานเหลือเกินเพราะคำว่าที่พระองค์เที่ยวมาเกิดสร้างบุญบา ร, รมีอยู่ในพื้นแผ่นดินอันเนี้ยขนานานับไม่ถ้วนเลยดังนั้นพระคุณของพระองค์นะจึงว่ามีอยู่เต็มโลกนี่แหละ ผู้ใดอยู่ที่ไหนนึกน้อมทําความเลื่อมใสพระคุณนั้นก็เกิดขึ้นในใจของผู้นั้นอืยอมได้รับความอุ่นใจถ้าหากว่า ม, มารู้ซึ่งในพระคุณของพระพุทธเจ้าดังกล่าวมานี่นะมันจะได้ความอิ่มใจว่าตนได้ที่พึ่งอันประเสริฐ จริงๆไม่ใช่ว่าจะไปนึกแต่พุโทโธอย่างเดียวแล้วไม่รู้จักความหมายที่แท้จริงเช่นนี้มันก็ได้ผลน้อยถ้าเรารู้จักความหมายที่แท้จริงแล้วมัอก็เป็นเหตุให้ใจของเรามั่นในบุญในกุศล ก็ว่าก็เรารู้นี่ว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์มีพระไทยสงบระงับเบิกบานมีความสุขมากนั่นก็เพราะพระองค์ได้สะสมบุญบา ร, รมีมามากนี่เราถือเอาใจความตรงนี้พระองค์จึงค่อยมีพระไทยหนักแน่นเบิกบาน ลำพังแต่จะมานั่งสมาธิภาวนาเฉยๆแล้วไม่ทำคุณงามความดีอย่างอื่นเช่นนี้ไม่ไหวหรอกต่ไม่รอดอกลัวว่าผู้จะมีศรัทธามานั่งสมาธิภาวนานี่มันต้องมีบุญมาก่อนหมายความว่าอย่างนั้นต้องทำบุญอย่างอื่น ฉันได้ให้ทานได้รักษาศีลห้าหรือศีลโวสตรหรือศีลสิบสองรอยีิบเจ็ดตามเพศตามภูมิของตนนี่แหละจะต้องมีกุศลธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นในใจก่อนบัณนี้บุญกุศลนี้เนี่ยจึงโดนบันดาลให้จิตนี้ชอบสงบระงับบัณนี้ ไม่ชอบวุ่นวายเพราะว่าความวุ่นวายฟุง้งซ่านน่ยมันมันเดือดร้อนเนี่ยมันเป็นทุกข์มันรู้บนันนี้กับความสงบความเย็นอันนี้มันเทียบกันดูแล้วสู้ความสงบใจความเย็นใจไม่ได้วันนี้ความวุ่นวายฟุง้งซ่านไม่ใช่เป็นหน้นทางแห่งความสุขเลย ดังนั้นบุคคลผู้เช่นนั้นแหละก็จึงได้สเสวงหาทางแห่งความสงบที่นี่พูดถึงความสงบนี่ก็สงบกายสงบวาจาเมื่อกายวาจาสงบแล้วใจมันจึงสงบลงได้หมายความว่ากายสงบจากการทำบาปการฆ่าสัต การรักทรัพย์ประพฤติผิดในกามดื่มสุราเมรัยกัญชายาฟินเฮโรอีนนี่ต้องความประพฤติทางกายต้องงดเว้นกรรมชั่วทั้งสี่อย่างเนี่ยนนเสียกรอนจึงเรียกว่ากายสงบแปลว่าสงบจากบาปตันนี้วาจา ก็ต้องเว้นจากพูดเท็จพูดสอเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อเหล่านี้ต้องงดเว้นในพูดพูดแต่คําจริงไม่พูดยุโยงส่งเสริมให้คนอื่นแตกเคราสามัคคีกันไม่พูดคำหยาบคล้ายต่อกันไม่พูดเพ้อเจ้อเลี้วไหล เข้าทํานองที่ว่าน้ําท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลงหรือว่าพูดโรยคําจะเอาเป็นประโยชน์สักคำหนึ่งก็ทางยากนี่คําคําว่าพูดเพ้อเจอ้อไม่เอาอย่างนี้ฉะนั้นจําเป็นที่เราจะต้องงดเว้นคําพูดเหล่านี้เมื่องดเว้นคําพูดเหล่านี้เนี่ยก็เรียกว่า สงบทางวาจาหมายความว่าวาจามันสงบจากบาปบาปไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการกล่าววาจาไม่ดี <c oughs> <c oughs> เนี่ยเมื่อได้ความสงบกายสงบวาจาจากบาปอากุศลต่างๆอย่างนี้แนละ้วก็ยังสวงหาความสงบ จากธรรมชาติอีกส่วนหนึ่งหรือเช่นเข้าไปอาศัยอยู่ในป่าในเขาในที่สงบป่าเสจากเสียงอึกกระทึกคึกโครมต่างๆนี่มันมันเป็นการธรรมชาติภายนอกนี่มันก็ช่วย ให้กายและใจนี่สงบลงได้ส่วนหนึ่งเหมือนกันอันนี้ถ้าบุคคลไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าป่าหาสถานที่สงบระงับอย่างนั้นได้ก็ต้องหาโอกาสเอาเวลาที่เสียงต่างๆมันสงบลง เมื่อเสียงต่างๆมันที่เวดล้อมอยู่นั้นมันสงบลงแล้วก็นั่งสมาธิภาวนาได้แบบนี้ <c oughs> เป็นงั้นเ <c oughs> <c oughs> มื่อเราได้อาศัยความสงบดังกล่าวมานี่เข้าช่วยแล้วชนนี้ก็ทำให้จิตใจนั่นตั้งอยู่ภายในได้แบบนี้ <c oughs> เพ่งกรรมฐานอันใดก็กรรมฐานอันนั้นก็ปรากฏมั น, นเอนเป็นงั้นถ้าไม่เช่นนั้นแล้วพระศาสดาก็จะไม่สละราชสมบัติออกไปบวชเพราะพระ อ, องค์ก็ทรงพระดำริเห็นทุกข์เท้นภัยในสงสารตังแต่ก่อนออกบวชนั่น พระองค์พิจารณาเห็นแล้วว่าอยู่ในสถานที่เช่นเนี้หมายถึงเอาพระราชวังนั่นแหละมันเกลือนกลไปด้วยรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสต่างๆยั่วยวนชวนให้หลงให้เพลินอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปหาความสงบใจไม่ได้ถ้ามุ่งหวังที่จะแสวงหาความสงบ เพื่อให้ปัญญาเกิดขึ้นแล้วจะได้ตัดสู้สัมมาสัมโพธิญาณเช่นนี้มันก็ต้องสละราชสมบัติออกไปบวชพอได้เคยไปเห็นนักบวชมาแล้วอยู่ที่สวนอุทยานนักบวชท่านไปแสวงหาความสงบตามสวนอุทยานมันนั้นไปเห็นแล้วรู้สึ ก, กว่า พอพระหฤทยัยเพราะว่าบวชท่านนั่งสมาธิสงบนิ่งอยู่ก็จึงค่อยตัดสินพระไทยสเสด็จหนีออกไปบวชเมื่อไปบวชไปแล้วพระ อ, องค์ก็ไม่คิดอยากจะ ก, กลับไปครองราชสมบัติอีกต่อไปเพราะว่าพระ อ, องค์ได้ พิจารณาแน่วแน่แล้วก่อนสสเสด็จออกบวชไม่ใช่ว่าไม่ได้คิดให้ทีท่วนพวดพลาดแล้วก็ออกไปเลยไม่ใช่อย่างนั้น <c oughs> เมื่อพระองค์คิดแน่วแน่อย่างนั้นแล้วแม้ว่ามันจะมีกิเลสสมาลอนไดมาโดนใจให้หวน จะให้หัวนึกถึงความสุขในราชสมบัติต่างๆหมวนั้นพระองค์ก็ไม่ไปตามอำนาจของมารเหล่านั้นองค์ก็สำรวมจิตใจนให้ตั้งอยู่ภายในก็สมัยนั้นพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดขึ้นในโลกพระองค์ก็คงไม่ได้ภาวนาพุทโธ ตามตำราทางกล่าวไว้ว่าพราะองค์กำหนดสติกำหนดใจเพ่งลมหายใจเข้าออกนี่แหละเป็นอารมณ์แต่จึงได้บรรลุปฐมฌานพุทธยฌานตติฌานไปตลอดถึงจตุฌานแล้วก็บรรลุไปถึงอรูปฌานสี่นู่นแหละ การเจริญอนาานสตินี่โ <c oughs> ดยที่พระองค์ได้อาศัยสมาธิสมาบัติอันนี้แหละเป็นรากฐานแห่งการเจริญวิปัสนาปัญญา <c oughs> เมื่อพระองค์มีพระทัยสงบระงับด้วยดีแล้วตั้งมั่นด้วยดีแล้วต่อจากนั้นพระองค์ก็ทรง พิจารณาธาตุขันธ์อันเป็นปัจจุบันนี่แหละอมันมันมาจากไหนหนอรูปร่างกายอันนี้เนะ น, นี่ยอย่างนี้มันถึงได้มาเกิดเป็นคนมาในโลกอันนี้กระทรงรู้แจ้งว่ามาจากสวรรค์ชั้นดุสิตจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตมาเกิดใน สกูลกษัตริย์ักรยราชที่กรุงกบิลพัทนครนี้มเมื่อทรงพิจารณาต่อไปว่าก่อนที่จะไปเกิดเป็นเทวบุตรอยู่สวรรค์ชันดุสิตมาจากไหนก็ทรงรู้แจ้งว่ามาจากชาติที่เป็นพระเวสสันดรเ อ, อย่างนี้แหละชาติที่เป็นพระเวสสันดร น, นั้น เป็นชาติสุดท้ายของการสร้างบา ร, รมีสามสิบประการเอ็นนั้นว่าพระบา ร, รมีของพระองค์ก็มาเต็มลงในชาติเป็นพระเวสสันดร น, นั่นเองในตำราท่านกล่าวไว้ว่าพระโพธิสัตว์จำพวกใดก็ตามเมื่อถึงชาติสุดท้ายที่ การสร้างวาระมีมามันจะเต็มบริบูรณ์ได้ต้องได้ให้ของรักของชอบใจห้าอย่างเป็นทานเสียก่อนถ้ายังไม่ได้สละทานของห้าสิ่งนั้นก็แสดงว่าพระบา ร, รมียังไม่เต็มบริบูรณ์จะตัดสรรุเป็นพระเทเจาไปยังไม่ได้ ดังนั้นในชาติเป็นพระเวสันดรนะนะพระองค์จึงได้เมื่อมีผู้มาขอช้างก็พระราชทานช้างให้มีผู้มาขอมา้าก็พระราชทานม้าให้มีผู้มาขอราชรถก็ถัดให้ทานราชรถมีผู้มาขอ กันหาชาลีอันเป็นลูกรัต ก, ก็สละกันหาชาลีนั้นให้แก่ชูชกพรา ม, มาเมื่อมีผู้มาขอพนางมัตชีอักเมสีโกงก็สละพนางมัตชีให้แก่อินทาพรามในข้างนั้น <c oughs> จนถึงกับแผ่นดินไหว นี่แหละพระบารมีของพระ อ, องค์มันเต็มบริบูรณ์ลงแล้วหลังจากได้ให้ของรักของชอบใจห้าอย่างนี้เป็นทานไปในเมื่อหมดอายุสังขารแล้วก็ไปเกิดสวรรค์ชั้นดุสิตพระโพธิสัตว์ทั้งหลายนั่นชอบไปเกิดสวรรค์ชั้นนี้ เป็นเป็นธรรมดาคนวะนั่ น, นยแล้ววันนี้กับต่อมาก็ท้าหาพรมแล้วมาอาราธนาเอ้ยพระองค์เสด็จตรงมาเกิดในโลกนี้พวกพรมพวกเทวดาทั้งหลายนั่นเนี่ยเพราะว่าพวกนี้มันรู้กันนะ ร, รู้รู้ว่าใครมีบา ร, รมี แกกล้าสมควรจะตรรู้เป็นพระพุทธเจ้านี่ก็รู้จึงได้มาเชื่อเชิญให้จุติลงมาเกิดในโลกนี้เมื่อพระองค์ได้รับคำเชื่อเชิญอย่างนั้นแล้วก็ทรงพิจารณาดูสถานที่เกิด จะไปเกิดที่ไหนจึงจะเหมาะสมอย่างนี้นะกระทรงพิจารณาก็รู้ได้ว่ากรุงกบินละพัฒนนั่นเหมาะสมเพราะว่าพระบิดาพระมารดาองศาคณาาิที่ได้สร้างบุญบา ร, รมีร่วมกันมาแต่ในสงสารนั่น ได้ไปบังเกิดในเมืองกบิลพั์นั้นก็ทรงรู้แจ้งดังนั้นจึงได้ตัดสินพระไทยชุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตลงมาปฏิสนธิในพระคันของพนางสิริมห า, มายาซึ่งเป็นอัคคมเหสีของพระเจ้าสุโธธนะ ผูค้ครองกรุงกบิลละพัฒน์นะครในครั้งนั้น <c oughs> นี่แหละความเป็นมาของพระพุทธเจ้าเพราะองค์ทรงเจริญสมาธิเจริญปัญญาขึ้นแล้วก็เป็นเหตุไทร ล, ลึกชาติหนหลังได้เห็น ล, ลึกคืนไปจากครั้งเป็นพระเวสสันดรแล้วกับ เป็น <c oughs> พระโพธิสัตว์องค์ต่อๆไปนั่นแหละจนถึงพระเตมียะนี่ท่านเรียกว่าพระเจ้าสิบชาติเดแล้วก็ทรงระลึกไปถึงพระเจ้าห้าร้อยชาตินี่หมายความว่าทั้งห้าร้อยชาตินี่ก็ดีสิบชาตินี่ก็ดี บารมีก็เริ่มแก่มากเข้ามาแล้วเป็นชาติที่สำคัญสำคัญเป็นอย่างนั้นเลยจากห้ารอยชาติคืนไปนุองอุ้นโก้กำลังสร้างบารมีมาโดยลำดับก็ทรงรู้คืนหลังไปว่าพราะองค์เกิดในตระกูลพราหมณ์หรือตระกูลกษัตริย์ก็ทรงรู้นั่นนหะ หรือว่าเกิดในตระกูลชาวนาก็รู้บางชาติพระองค์ก็ไปเกิดในตระกูลจันทานก็มีไม่ใช่ว่าพระองค์จะไปเกิดแต่ในตระกูลสงูงเลื่อยมาหามิได้แต่ว่าพระองค์จะไปเกิดในตระกูลไหน ตระกูลต่ำก็ไม่ลืมบารมีไม่ลืมคุณงามความดีโดยมากเท่าที่เห็นในตาราแล้วชาติใดที่เกิดในตระกูลต่ำแล้วก็มักจ ะ, ะเสด็จออกบวชเป็นฤาษีไม่ยอมครองเรือนถ้าชาติใดได้เกิดเป็นกษัตริย์หรือเป็น มหาเศรษฐีเอออย่างนี้ชาตินั้นก็จึงอยู่ครองเรือนไปจนตลอดชีวิตเพื่อจะได้ทำทานเนื่องจากว่ามีสมบัติมากนี้เป็นเศรษฐีก็ดีเป็นพระราชาก็ดีก็ได้สละวัตถุสิ่งของให้เป็นทานไปอย่างนี้แหละชาติใดที่ เกิดในตระกูลต่ำแล้วไม่ค่อยมีสมบัติอะไรมากมายที่จะมาให้ทานได้ก็เลยสละบ้านเรือนออกไปบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าหิ ม, มาพานต น, นไปนั่งเท่งกระสินสารเข้าไปก็ได้บรรลุฌานสมาบัติก็เป็นการบำเพ็ญในขัมมะบรมี อันนั้นน่ะที่พระองค์ออกบชเป็นปรือสีนั่นน่ะเป็นอย่างนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นแหละพระองค์จึงได้ตัดสู้สาัมมาสัมโพธิญาณไม่ใช่ว่าจะไปได้มาตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าโดยง่ายไม่ต้องกรากรรมลำบากสร้างบุญบารมีอะไรมาในสงสารแล้วก็สามารถตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ ไม่ใช่อย่างนั้นนะผู้ฟังทางหลายพิจารณาให้ดีเนี่ยพระคุณของพระพุทธเจ้านี่จึงว่ามีมากเหลือที่จะพัฒ น, นา น, นั่นแหละทีนี้ผู้ที่ไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องสร้างบุญบา ร, รมีตามพระศาสดาเช่นเดียวกันนั่นแหละต่างแต่ว่าสร้างไม่ก้วง ขวางเหมือนอย่างพระโพธิสัตว์เท่านั้นเองอมเมื่อสร้างบุญบา ร, รมีตามพระโพธิสัตว์มาพอะวังเอิญมาเต็มเอาในเวลาที่พระโพธิสัตว์มาเกิดในครั้งสุดท้ายมาได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั่นเมื่อพระองค์ทรงแสดงธรรม ให้คนเหล่านั้นฟังคนเหล่านั้นก็ได้บรรลุมรผลธรรมวิเศษตามกำลังวัฒนาบา ร, รมีของตนเช่นได้บรรลุโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์อย่างนี้เนี่ยทั้งหมดนี้มันก็รวมได้บรรลุส่วนมากก็ได้นั่งสมาธิภาวนานี่แหละ ไม่ใช่ว่าพอฟังเทศจบลงเท่านั้นได้บรรลุอรหัตผลเลยผู้มีอินสียแก่กล้าเต็มที่เลยนั่นน ะ, ะจึงฟังเทศจบลงแล้วจึงบรรลุมรผลเลยถ้าผู้บารมียังไม่เต็มบริบูรณ์ดีอย่างนี้เมื่อฟังเทศได้รู้แนวทางปฏิบัติแล้วก็เป็นนั่งสมาธิภาวนา จเจริญสมถาปภิษฐานไปอย่างนี้แหละทำให้อินทรีแก่กล้าขึ้นไปเมื่ออินทรีแก่กล้าเต็มที่แล้วนั่นแหละจึงได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้นี่ความเป็นมาของพระสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีความเป็นมาของพระพุทธเจ้าก็ดีนำมาแสดงให้ฟังโดยสังเกต พ, พอเป็นเครื่องจเจริญศรัทธา ความเชื่อความเลื่อมใสเมื่อความเชื่อมีแล้วความเพียรก็จะได้ตั้งขึ้นแบบนี้ภาคเพียรนั่งสมาธิภาวนาให้จิตใจสงบระงับด้วยความเพียรของตัวเองแล้วก็ไดเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นโดยลาพังตัวเองด้วยอำนาจแห่งสมาธินั่นแหละเป็นบาตรของปัญญา เกิดขึ้นนี่ในพึงพากันเข้าใจ <c oughs> เมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันก็มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เป็นของไม่กีรังยั่งยืนเลยเป็นทุกทนได้ยากลำบากเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนอะไร อันนี้มันเป็นกฎธรรมดาแต่เมื่อ <c oughs> ยังปล่อยให้อวิชชาตัณหาครอบงมจิตใจอยู่นั้นนะใจมันมัวหมองแล้วมันไม่สามารถจะรู้แจ้งความจริงเหล่านี้ได้แล้วก็ไม่สามารถจะเบือนายนามรูปหรือขันธัหน้านี่ได้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมานนะ่ะ มันจึงละอาสวะกิเลสให้ขาดจากสันดานไม่ได้ดังนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็ให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจนั่งสมาธิภาวนาเจริญสมถะวิปัสนาให้เห็นแจ้งในานามในรูปตามเป็นจริงแล้วก็หัดปล่อยวางเมื่อปล่อยวางแล้วก็ให้จิตรวมอยู่ภายใน จิตจะได้รวมลงสงบลงไปอย่างละเอียดปาณีตต่อไปดังแสดงมา